ด้วยการการะทําของเขาและคาพูดของเขานอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายของเขาบทได้จบลงด้วยการประกาศว่าทางกลับของมนุษย์ย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อการชาระและการตอบแทนทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงไม่อำานวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขาแต่การการะทาความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ ด้วยพระนามของ Allah, อัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ان, ม ان, มสขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบหักหักแล้วด้วยม้าที่กีบเท้าของมันกระทบกับหินจนเกิดประกายไฟ แล้วโดยมาที่จู่โจมศัตรูในยามเชา้าแล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้นแล้วมันก็ได้บุกเข้าไปท้ำกลางหมู่ศัตรูในยามนั้นอนนอนน บ, บด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 เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมาและสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออกแพ้จริงพระพวกวิบาลของพวกเขาในวันนั้นทรงตันหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน